สร้าง่พั่แผ่ตรงนู้นไปแผ่ที่อะไรตรงนู้นตรงนี้เห็นพว ก, กระจายในแผ่บอกแ ผ, แผ่ไปที่อะไรไปสร้างรม่มพานสบายพระสงฆนี่ยังไม่ข้ามคืนหมดแล้วยังไม่ถึงพระเห็นไหมละถ้าละเอียดเข้าไปละอียดเข้าไปคือเมีเก็บนาไปถายพระงฆะเอาแค่มอนปูใคระชวนไปสรางร่มพานที่นู้นที่นี่ของปู่ปฏิเสธ ลงทานทำอะไรว่าโงทานบุหลวงพ่อวะลงทานทำบาปมันทำบุญที่ไหนตูวัดทมงคลนะพระจะเข้าไปก็ไม่ได้รดเข้าไปไม่ได้มีแต่รงทานนะท่านอนเรื่องแบเป็นมรปีหลวงพ่อไปสรยกว่าลมคนก็แย่งกันคิวกันแย่งสร้างาย่งสรางงทานงนั้นก็ได้ดีนีพระเข้าก็บลปาเลยดแน่นทดที่นี่เวลาพวกบวชชีท ที่ไม่ค่อยศึกษาเท่าไหรไม่เล็กเท่าไหแล้วหวหนอยก็ปิงควมหมึกวมันมันนสมองเนี่ยทำไมย่ า, ม า, ยางความหมึกก็ซื้อเส็ยแต่สมรฐานไปเราไปวนจนไปลงปิ้งปิ่งความหมึกประเทศแล้วไปผ่านรับสินไม่สนใจแล้วนี่มต้องทำทำํ า, ท า, าทบ า, มมาสมานใจไปตรวจครูบาอาจารย์บาคนบางคนต่ากันอตรวจอยู่บางคนแต่บางคนนั่นสาเหตุดีดยวคือเราไปทํานั่นแหละ ถ้าไม่มีเราจะไปทานอะไรล่ะหิวอะไรก็ทานจะก่อนจึงข้อวัดสิใช่นะไม่เป็คือต่อแต่วัดสุกโลกอีกโอ้ยจะพูดเลยไปทำมาไนแล้วเคยเห็นทุกทีหยุดที่ได้หยุดไม่ให้ทำคืองานหลวงปู่ศีรอบว่ามีแต่โรงทานรงทานบางคนจองไว้ตั้งแต่วันรุกปุ๊บมาแล้นะวันจากพระธาตุทานเพลิงจึงไปเอาของมา มาแล้วคนอื่นเขามาก็ไม่มีที่วางเขาลุงปู่ไม่มีที่วางของอกด้านมันตรงไหน Fly, ตรงไหนตรงไหนไม่ม e ีสร้างตรงไหนไม่มีของเข้าไปเลยเข้าไปเลยป็ีคนที่จองไว้ในบุฟเฟ่ต์สองคนเลยลงท่านเขาคนมาอยู่แล้วมาฟังลุงปู่แล้วเ่ก่นคุณคุณมาคุณพูดแล้วจองไว้หลือไม่ม่เขาก็อยู่หลยเขาหนักของเขาก็อยากทำทะเลาะกันลงท่านใจแล้ว ี่ห้องน้าไม่มีนะตอัวไม่มีห้องน้ำก็เป็นไปทำห้องน้าไดอ้อีกนั่นห้องน้ำก็เป็นดีจะกลัวหมดทุกก็หมดทุ<อ>ทกปีอยู่แต่ว่ามันกินไปมันก็ท้องเสียหั<อ>น้าไม่มีจะน้าไปไหนน้าม่มีเก็ย้า้องปู ก, กห้องน้นาจะกกเห็นไหมล่ะไม่มีคนทัความสะอาดคนที่พูดไม่ใช่คนหรือ ไปทําความสะอาดซ่วมอะ่ะยังได้บุญแบบที่จะไปเอาเงินไปถวายเพื่อทําซ่วมอ่าลุงปู่ว่าคนที่พูดว่าไม่มีใครไม่มีคนทําสะอาดคนที่พูดไม่ใช่คนหรือหรือ <c oughs> เกือนสติเขาให้เขารู้ว่าเราเป็นคนเหมือนกันเราก็ทําความสะอาดได้เหมือนกันแต่ <c oughs> ให้เข้าใจทํานองนี้นหน้าไหนใช่ไหมล่ะอะไรก็ลุง ป, ปู่ลุง ป, ปู่หมดห้องน้าสกปรกลุงปู่เอง <c oughs> ทั <unlucky S 2> ้งรอขาทานใหม่แล้วก็จะมาแล้วเดี๋ยวมันนี่เป็นพยายามช่วนะเวลาเลิกงานก็เสียรายของเสร็จเกี่ยวของท่อปละสติกท่อะไรท่ออิซิเมนราคาไม่ใช่เป็นถูกถูกคับเราจะไปปล่อยผมริงไม่ยังไงเพรานั้นก็จำเป็นจะต้องได้ปเก็บของมันเป็นลายได้ยังไได้บ้างเนี่ยท่านพิ